บุ๊กทูยี่สิบหกอิรไวยารุธรรมชาติประกรุติโลคุณเห็นหอคอยตรงนั้นไหมคะมีรูักระดาอาบุรุจิลชูสุนาระคุณเห็นภูเขาตรงนั้นไหมคะ มีรูปกระดาอาปาร์วตันิจูสตุนนารคุณเห็นหมู่บ้านตรงนั้นไหมคะมีรูปกระดาอากรามานิจูสตุนนาระคุณเห็นแม่น้ำตรงนั้นไหมคะมีรูปกระดาอานาดินิจูสตุนนาระคุณเห็นสะพานตรงนั้นไหมคะมีรกดวตรินิสุนาระ คุณเห็นทะเลสาบตรงนั้นไหมคะไม่รู้วกระด า, าสารสนิจุสนนารัดิฉันชอบนกตัวนั้นน่ากูอาพักชี้อันเตยิสต์มดิฉันชอบต้นไม้ต้นนั้นนากูอาเช็ตัอันเตยิสต์มดิฉันชอบก้อนหินก้อนนี้ นากูอาร่าอันเตยิสต์มดิฉันชอบสวนสาธารณะแห่งนั้นนากูอูดิยานันาวนันเตยิสต์มดิฉันชอบสวนนั้นนากูอะโตตันเตยิสต์มดิฉันชอบดอกไม้นี้นากูยีปุบวันเตยิสต์มดิฉันว่านั่นมันสวย นกกว่าดิสมพ่งผ้ก่ออนิสตดิดิฉันว่านั่นมันน่าสนใจนกกว่าดิอาดสกตะแกรงก่ออันอีิสตนดิดิฉันว่านั่นมันงดงามนกกว่ดิดีบเบีย g ก่ออันอีปิสตนดิดิฉันว่านั่นมันน่าเกลียนดกนกกว่าดินนากรุบผงก่านอีิสตนดิ ดิฉันว่านั่นมันน่าเบื่อนอกจากด็กวิศวกรในปิสตนดิดิฉันว่านั่นมันแย่นอกจากาด็กแบงค์กระงกในพิสตนดิ